เครียดเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลายโรคทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคกระเพาะอาหารโรคเบาหวานวัณโรคผมหงอก่อนวัยนอกจากนี้จิตแพทย์แกรี่เอร์สเกเบอร์และจักษุแพทย์โฮเวิร์ดชาร์จ หัวหน้าคณะวิจัยเพื่อการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับระบบประสาทการมองเห็นได้วิจัยพบว่าความเครียดนี้มีผลต่อความผิดปกติของระบบการมองอันเป็นสาเหตุที่ทำให้ตาบอดได้อันตรายจากความเครียดมีมากมายหลายประการแล้วเราจะขจัดมันได้อย่างไร ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังธรรมเทศนาเรื่องกลยุทธ์หยุดความเครียดตอนที่หนึ่งโดยท่านพระโพธิรักษ์นพุทธสถานปฐมโศกได้นาบัดนี้ สำนึกดีทุกๆคนๆ <c oughs> เมื่อกี้นี้ก็ฟังฟังบรรยายอะไรไกันสารภาพอะไรกันมาก็มีจุดที่คิดว่าน่าจะได้พูดกันให้ถึงแก่นกันสักอันหนึ่งคือคำว่าความเครียดที่เป็นภาษาสมัยใหม่เดี๋ยวนี้มันมาจากเหตุอะไรเขาก็พยายามที่จะ ไล่ไล่เรียงหาตั ว, ตวเหตุตัวที่มันเป็นตัวสำคัญตัวการที่มันทำให้เกิดความเครียดพยายามหากันไปจริงๆนะซึ่งอาตมาเองอาตมาก็ น, น, น่าจะได้มาพูดกันนานแล้วนะอาตมาว่าอาตมารู้นะเผยให้ฟังง่ายๆก็ได้ว่าไอ้ความเครียดมันเกิดจากกิเลส ไม่ได้เกิดจากอะไรหรอกอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะมันเกิดจากความไม่รู้จักจิตปัญญาแล้วก็จิตปัญญาของเรานะํายมาไปกักเก็บเก็บ ก, กักกดอะไรเอาไว้มันก็ไม่รู้ตัวลองฟังดีๆนะเราคุณจะเข้าใจว่าชัดเจนว่ากิเลสนั่นเองที่จริงก็คือความไม่รู้นั่นนะแหละแล้วมันก็ไม่รู้อะไรหรอกมันก็ไม่รู้ว่าจิตของเรานี่ยนะ flare, มันไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์คืออะไรแล้วมันไม่เป็นทุกข์จะให้ไม่เป็นทุกข์มันคืออะไร เราก็ทํากับใจของเราว่าเออก็จะไปทุกข์มันสิมันเครียดมันทุกข์นะคนเครียดน่ยมันไม่สุขล็อกแต่มันทุกทุกคนน่ะแล้วมันเรียกภาษาอะไรก็ตามใจเธอเก๊กเกเคยเคลแต่แล้เรียกภาษาอะไรก็มันไม่ใช่แบบลงโปร่งสบายเบิกบานราเริงชื่นบานอะไรสดชื่นอะไรมันไม่มีอย่างนั้นน่ะแล้วมันก็ไม่ได้เป็นสภาพที่มันเป็นความตรงกันข้ามไม่ได้เป็นสภาพที่ว่าเบิกบานราซารื่นเริงแบบสุข ที่ประโลมกิเลสนะ่นั่นมันก็เป็นความไม่เครียดได้มันกันมันเป็นความสุขได้มันกันคนเราหาความสุขแล้วก็พยายามที่จะคลายความเครียดหรือคลายความกดดันอะไรของตนเองนี่โดยวิธีการหาอะไรบำเรอลอสกบเกลื่อนซะโดยไม่รู้ว่าต้นเหตุของความเครียดนั่นแหะเราโลภอะไรหรือเราโกรธอะไรเราไม่รู้ เป็นแต่เพียงว่าให้มันรู้สึกว่ามีอาการจิตวิญญาณเนี่ยมันเบิกบานร่าเริงสนุกสนานสดชื่นไปแถวนั้นก็พอเขาก็เลยหาวิธีการเนี่ยมันเครียดอะไรหรือว่ามันทุกข์อะไรเขาไม่รู้อะไปกินเหล้าเฮฮาดูหนังดูละครชื่นชมไม่น้นยในนี้อะไรก็ตามแต่หาอะไรที่มันมาบำเบรในอารมณ์ชั่วขณะหนึ่งบำเรอโดยไม่ตรงกระจุดไม่ตรงกระจุดที่ว่าเราโกรธอะไรโกรธเนี่ย แล้วเราก็ไม่ปล่อยแล้วโกรธแค้นแล้วเราก็ผูกโกรธไว้อาฆาตไว้เก็บไว้ที่จิตมันเป็นเรื่องของเวรเวรานุเวรผูกมันจะต้องแก้แค้นนมอย่างเมื่อกี้นี่ฟื้นบุญเขาอาฆาตเขาว่าอธิบายว่ามันอยากจะฆ่ามันโกรธมันอยากจะแก้แค้นอยู่นั่นแหละแล้วมันก็เครียดกดเอาไว้อยู่นั่นแหละแล้วเราไม่รู้ตัวหรอกว่าอาการกดเก็บ กดกักอะไรพวกนี้สะสมความแค้นสะสมความเครืองความโกรธความอาฆาตมาร้ายเอาไว้เราไม่รู้แต่ความจริงนั่นเมื่อเมื่อเรามีอาการกิเลสนั่นจริงมันก็เป็นจริงกดไว้กดไว้มากๆเข้าสะสมเข้าไว้ทีนี้มันเต็มบ้องเต็มบ้องมาแล้วโอโ้โหทีนี้มันตื้อไปหมดล้ล่ะมึนมึนเค็มมาและเครียดแล้วก็ระเบิดระเบิ ด, บ ด, บดสารพัด ส, สารเพที่แล้วมันก็ไม่สมกับที่เร า, ท, เราที่เราจะแก้แค้นเลยนะ ระเบิดอะไรก็ได้บ้าๆบอๆออกไปในกิริยาท่าทางแรงๆอะไรก็ตามใจแสารพัดที่มันจะมารับดีไม่ดีไม่ได้โกรธคุณลงนะแต่คุณมาดูในจังหวัดที่ฉันระเบิดพอดีโดนที่จึงคุณไม่ได้เป็นส่วนแห่งการได้สร้างความแค้แคนเคืองอะไรไว้ใน้ก็ได้แต่พอดีคุณกำลังมีมีบุญนะมีบุญได้รับเคราะห บุญได้รับการระเบิดมันอัดเต็มทีกับตู้มเข้าไปไม่ได้เป็นเหตุเลยเราไม่ได้เป็นเหตุที่เป็นความผูกแขนที่เป็นเหตุให้เขาโกรธเขาเคืองอะไรสะสมไว้ก็ได้หรือโลภก็ดีแล้วเราก็ไม่ได้สมโลภมันโลภมันต้องการมันอยากได้เนี่ยมันก็ไม่ได้สมมันก็ผูกไว้ผูกใจไว้แหมข้าจะต้องได้ข้าจะต้องได้ อ, ไดอย่างนี้อย่างนี้สมไม่สมโลภไม่สมราคะมันก็กัก สมสะสมสะสมกิเลสนั่นเองคุณฟังดีๆเถอะมันไม่ได้สมโลกมันไม่ได้สมราคาแต่เราไม่ปล่อยราคะไม่ปล่อยโลภไม่วางเรื่องนั้นไม่เลิกรามันก็ยังพูดอยากได้ยังต้องการอยู่ยังแต่คุณไม่รู้สึกตัวในรายละเอียดบคุณก็สะสมกักเก็บไว้กักเก็บไว้สมไม่สมโลกนี่นะมันไม่ได้สมโลมันก็กักเก็บไว้กักเก็บไว้กักเก็บไว้ มากเข้ามันก็ดิ่งแน่นยิ่งหนักยิ่งเครียดยิ่งโอ้อึดอัดน่ยนะมันเหมือนเราลืมแต่เราไม่ลืมหรอกเราไม่รู้ว่าเราได้ปล่อยหรือวางจริงหรือเปล่าได้ล้างความโลภนี้จริงหรือเปล่าเพราะงั้นเมื่อเรามาเรียนธรรมะแล้วจริงเนี่ยเรารู้ว่าเราโลภแล้วก็เลิกโลภสิ ว, วางใจเห็นด้วยเหตุเห็นด้วยผล ปล่อยใจจริงๆวางใจจริงๆไม่ติดไม่ยึดไม่อะไรยอาวอ์ไม่ได้อยากได้อีกจนกระทั่งถึงแก่ลักษณะไม่อยากได้อีกหรือแม้ว่าแค้นเคืองก็ตามจะแค้นจะเคืองกอ็เลิกอาการแค้นเคืองนั้นให้เป็นอภัยจริงๆปล่อยวางใจเอาไปจริงๆยิ่งเหตุปัจจัยตัวนี้เออเราเคยเคืองคนนี้เราเคยแค้นอันนี้โกรธอันนี้ แค้นเคืองก็คงจะไม่ไปแค้นเครืองไอ้ต้นหมากรากไม้ไอ้อะไรต่ออะไรเรานะก็คงจะแค้นเครืองสิ่งที่มีวิญญาณนั้นมากหน่อยสัตว์ก็อาจจะแค้นเครืองมันได้เหมือนกันนะเพราะมันยังมีตัวสภาพของมันเองเหมือนกันว่าสัตว์เนี่ยมันมันทำอาการอย่างงั้นอย่างนี้กับเราได้แต่ต้นไม้นี่ก็ก็คงคนไม่โง่จัดก็คงไม่ไปแค้นเครืองมันเออนี่ยมันถูกลมพัดโบกสะบัดมาถูกหัวเราหรอ อ, อะไรก็เลยโกรธต้นไม้ เรื่อว่าดูดีๆเราเดินไปเตะต้นไม้ไม่ให้โกรธมันมาเจ็บนี่ตีนแตกอะไรไปเตะต้นไม้แล้วก็เลยโกรธมันคงไปไม่โง่อไปโทษมันเราก็โทษตัวเองอะแต่สัตว์เนี่ยมันวิ่งมาหาเราได้มันเดินมาหาเราได้มันงับเราได้มันเตะเราได้มันดีดเราได้อะไรอย่างเงี้นะและยิ่งคนเราสารพัดเลยแต่นี้ก็ถือเครืองถือโกรธเนี่ยก็คนหรือสัตว์นี่แต่มากกว่าโดยเฉพาะคนเพราะเราก็ไอ้คนคนนี้เราไม่ไม่ไ ม, ไม่วางใจเราไม่ปล่อย แม้ไม่ได้เจอหน้าตาก็ยังนึกถึงมันขึ้นมาเมื่อไหรมันมากมันก็ขึ้นขึ้นภาพขึ้นรูปอะไรหรือมีเหตุมีปัจจัยอะไรไปคล้ายๆคล้ายๆกันประวัติได้มันก็ประวัติมาอมืความโกรธความแค้นความเคืองก็เกิดขึ้นอีกเพราะเราไม่ปล่อยเมื่อไม่ปล่อยมันก็เป็นจริงลักษณะอาการของกินเหลวมันก็อยู่อยู่แล้วมันก็สะสมสะสมสะสมสส ม, มันก็ยิ่งเครืองมากยิ่งยิ่งเครียดมาก เป็นอาการเครียดเป็นอาการไม่โล่งไม่โปร่งไม่สบายสเบยเพราะงั้นรากเงาของความเครียดที่เป็นภาษาสมัยใหม่ทุกวันนี้ไม่มาจากอะไรหรอกมันมาจากความโลภความโกรธในโลกนี่แหละและเขาไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ว่าเขาไปมีอะไรต่ออะไรเอาไว้สารพัดเลยทำอะไรไม่สมใจนั่นเองใจเรามันเป็นอัตตาใจมันเป็นกิเลสที่จะต้องให้ได้สมใจกูสมใจตัวเอง จะสมใจได้โลภจะสมใจได้แก้แค้นฆ่าแก้แค้นอาฆาตก็ตามใจมันมีสองสายใหญ่ๆหญมันมีสองสายใหญ่ใเท่านั้นแหละสายโลภะกับโทสะโมหะนั่นคือความหลงผิดมันหลงมันไม่รู้ชัดมันสลับกันมันเพี้ยนมันเบล้มันไม่ตรงเป้าเรียกว่าโมหะโมหะนี่คือมันมันไม่ตรงเป้าทีเดียวส่วนรากเงาแท้ๆมันคือโลภะกับโทสะโลภกับโกรธหรือราคะกับ เราโทสะนี่เท่านั้นแหละผลักกระดูดใจมันไม่กลางไม่หยุดใจมันมันยังมีผลักกมะดูดมันยังไม่กลางๆงมันยังไม่เฉยมันยังไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่มันยังมีสภาพไม่ผลักก็ดูดอสองด้านอยู่อย่างนั้นน่ะจนกว่าเราจะมาล้างกิเลสนั้นออกจริงๆพอล้างจริงๆแล้วนะมันจะเห็นว่าความไม่เครียด ความโล่งความสดชื่นความเบิกบานความสบายไม่ต้องเอาอะไรมาบำบัดส่วนโลกียสุขนั้นต้องบำบัดเสมอโลภมารสมโลภก็เลยไม่เคยเครียดแต่สวยโลภไม่สมโลภก็ยามไอ้โลภได้สมโลภน่ะโลภพอได้สมโลภก็ย่มใจอาฆาตเครียดแค้นได้แก้แค้นสมแค้นก็ย่มใจกิเลสก็ ไม่ได้ปล่อยคลายกิเลสก็เห็นว่าโลกนี้เออเราทำได้นี่โลภราสมโลภเราก็ทำได้แค้นเราได้แก้แค้นสมแค้นเราก็ทำได้มันก็พยองย่มใจมันไม่ได้นึกว่าเออไปแค้นทำไมไปทำอย่างนั้นขึ้นมาเป็นอาการที่เกิดในใจเป็นกิเลสที่เกิดในใจทำไมเป็นโลภทำไมมาเป็นของตัวของตนทาไมสะสมทาไมมันไม่ได้ศึกษาอย่างนี้มันไม่เห็นอานิสงส์ของการ ว่างๆจากความโลภว่างๆจากความโกรธเพราะคนเรามันเกิดมามันเป็นปุตุชนมาแต่ต้นมันเป็นปุตุชนมาแต่ต้นมันมีกิเลสโลภโกรธหลงมาตั้งแต่เป็นสัตว์จนกระทั่งมาเป็นคนยิ่งมากคนยิ่งมากกว่าสัตว์อีกมันมามาแต่ต้นมันไม่เคยมาก่อนอเพราะงั้นเราก็นึกว่าเอ้ยเราต้องบําบัดด้วยโลกียะโลกียสุขสมโลภสมแค้นอย่างเงี้ยคือการเป็นสุขคือชีวิตชีวา ทีนี้โลกใหม่ที่พระพุทธเจ้าเถิดคนพอบออโลกุตระนี่มันต้องล้างเหตุที่แท้ที่เป็นตัวบนเวียนวนเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยอ๋อเหตุหัวเหตุอันนี้มันล้างตัวนี้ได้จับผีตัวนี้ได้ชัดจับตัวที่มันลวงตัวนี้ได้ชัดจริงๆและพิสูจน์พระพุทธเจ้าพิสูจน์อย่างแท้จริงว่าหมดศูนย์แล้วก็ไม่วนเวียนมีหมดสังสารวัฏไม่ต้องเกิดอีกแล้วก็เป็นความสงบสุข ที่จะเป็นธรรมรสเป็นวิมุตติรสเป็นรสอีกอย่างรสนึงไม่ใช่โล ก, กิยรสเพราะฉะนั้นคนในโลกใหม่หรือโล ก, กุตรระของพระเจ้านี่จึงมาเรียนรู้อันนี้ให้ชัดว่าโลกที่ไม่ต้องไปสมโลกเป็นสุขแต่ไม่ต้องโลภเลยและไม่ก็ไม่ไม่ต้องมาบําเรอความโลภเลยเนี่ยว่างๆกล า, ง, า ง, งนี่แหละมันสุขสงบสุขประงับสุขไม่ต้องมีเหตุแห่งทุกข์ไม่ต้องมีตัวสมุทยัยจะเรียกสุขก็เรียกเรียกได้ว่าไม่ทุกข์ก็ได้ ภาษามันเท่านั้นนะเรียกอาการมันเรียกสภาพมันว่าไม่ต้องโลกียสุก็มันก็ไม่ทุกเพราะบอกวไม่มีมีอาการอยากอะไรขึ้นมาบำบัดบำเรมมันไม่มีริดแรงอะไรที่จะต้องเราเป็นทานของตัวเราเองมันกลางๆมันก็สบายดีนี่สบายอย่างนี้ละวุปสมโอสุขอย่างนี้ต้องรู้ลักษณะอาการอารมณ์ของมันให้แท้ให้ได้คนโลกใหม่ต้องมารู้อาการสงบระงับอย่างนี้อ เขาเรียนรู้วิธีชั่วคราวสงบระงับชั่วคราวสะกดจิตลงไปไม่ให้ขึ้นมันมันทำงานสะกดจิตลงไปไม่อาการของจิตลิกิเลตมันขึ้นมาทํางานมันก็ว่างชั่วคราวหรือธรรมดาคนเราก็ว่างชั่วคราวได้โดยไม่ต้องสะกดมันก็ว่างเรียกว่าจิตจิตมันตกสู่จิตใต้สํานึกจุดใต้ผวังใต้พบมาเดี๋ยวอนุสัยนะมันนอนเนื่องจิตมันอยู่ในใต้สภาพมันไม่ขึ้นมาแสดงบทบาทมันก็พักเป็นธรรมดาธรรมชาติของคนเหมือนกัน จิตอย่างนั้นน่ะเราไม่เคยไปอ่านว่าจิตว่างๆอย่างนั้นน่ะไม่เคยสํานึกดูว่าเออจิตว่างๆอย่างเงี้ยไม่มีอาการเงี้ยว่างจากกิเลสนี่จะชั่วคลาวลื้อร่างกิเลสออกให้ถาวรก็ตามว่างชั่วคราวมันก็พอมีทีนี้คนไปหลงว่างชั่วคราวก็เยอะอย่างสายเทพุทธท่านนี่หลงว่างชั่วครลวกันเยอะโดยไม่ไปค้นที่เหตุอริยสัจใช้ชั่วคราวชั่วคลาวว่างๆมันมีมาก็ขจัดมันจนรมันก็ได้ผลบ้าง แมันมาก็ขจัดมันจนจอนโดยไม่เรียนรู้หน้าตามันแล้วก็ไม่มีวิธีแบบสัมผัสแต่ต้องลดเข็นอาการกิเลสแล้วเราก็พยายามเรียนรู้ ว, ว่าอีกกิเลสนี่เป็นตัวลวงลเราเห็นเหตุผลมันชัดแล้วเราก็ขจัดมันออกไปแล้วก็เห็นอารมณ์วิมุตติชัดแท้ลงไปอยู่หรือเป่าเราว่างจากสิ่งเหล่านี้ได้โดยขจัดกิเลสออกไปได้ฝีมือความสามารถของเราเนี่ยเราจะรู้จะเห็นว่าเราขจัดออกไปด้วยวาสามารถเราขจัดออกไปแล้วมันก็ออกเพราะ มันรู้รู้ตัวมันรู้ตัวตนไม่ใช่ว่าทำเป็นตัวตนจะเหตุไหนปัจจัยไหนอะไรก็ไม่เข้าใจทั้งนั้นไม่ใช่เมื่อเรามาทำอย่างที่ได้อธิบายเนี่ยลักษณะที่พาคุณละกิเลสนี่คุณรู้คุณเห็นคุณแจ้งเกิดยานนี่ปัจสัยนายานแท้ๆชัดๆแล้วความเครียดมันหายพระพุท ธ, ธพุท ธ, ธะในทันทีได้แปลว่ารู้ตื่นเบิกบานเบิกบาน ผู้ใดยิ่งในธรรมแล้วยิ่งเห็นอนิสงของมันจริงๆแล้วก็ยิ่งศรัทธาสัตทินรียเกิดศรัทธาพระเกิดนะและศรัทธากรรมศรัทธาวิปากศรัทธากรรมสกตาศรัทธาศรัทธาเพราะเราได้กระทาจริงๆเรากระทาจนเห็นผลมีมรรคมีผลรู้จักวิบากของสัจจะเป็นมรรคเป็นผลเดินทางนี้ปฏิบัติแบบนี้จึงเห็นผลในการปฏิบัติธรรม เป็นวิโวอประสบมโหสถเป็นสุขสงบระ ง, งับจากกิเลสนี้เป็นผลที่เราได้ทําได้เรียนรู้อย่างชัดเป็นมกักเป็นผลที่แท้เป็นวิปลาสัต tha สัทธาเพราะมีผลมีผลไม่ใช่ผลฟังคนอื่นผลเพราะมันเกิดที่ต้นกระทําจริงเกิดผลจริงตนเองมีจริงเป็นจริงกรรมสกตาสัต t าแต่ก่อนนี้เราไม่มีกิเรา ม, มีกิเลสเราไม่มีผลที่เป็นวิวิปลาของปรามัตสัจจะ เราก็ไม่รู้พอเรามีวิบากของปรมัตตสัจจะเป็นผลของที่เราปฏิบัติอย่างโลกุตระทิแท้จริงจิเจตเยตสิครูปมีสภาพล้างกิเลสออกสะอาดออกเห็นอ้อว่างวิมุติเป็นอย่างนี้นิพพานเป็นอย่างนี้เหตุปัจจัยนี้มันจะมากระทุ่งกระแทกกระเทือนอย่างไรมันไม่เกิดความไม่เกิดความเป็นสุญญาตาความไม่มีตัวตนของกิเลสอันนี้กิเลสตัวนี้กิเลสเรื่องนี้มันไม่มีตัวตนอย่างนี้ ซึ่งอาตมาก็ได้อธิบายให้ฟังแล้วว่าความว่าไม่มีตัวตนหรืออนัตตาหรือสุญญตาของปรมตภะกับอนัตตาแบบตักกระส่ามันคืออะไระตักกระส่าก็แข่ไม่มีตัวตนแบบอะไรมันก็ไม่ใช่ตัวตนมันไม่มีตัวตนจริงหรอกมันเคลื่อนไปเปลี่ยนไปหมุนเวียนไปไม่ใช่ตัวตนแท้อะไรแบบตักกระส่าเราก็เรียนมาแล้วเราก็รู้เราก็เข้าใจทุกคนถ้าเพื่อว่าศึกษาดีๆก็เข้าใจวนั่นตักกระส่รนั้นไม่ใช่มันไม่เห็นทนโทษเลยนะสัมผัสเลยนะอาการเห็นอาการ มีนิมิตเครื่องรู้รู้ว่าอาการเป็นอย่างนี้มันไม่มีอาการอย่างนี้แล้วมันได้ทําให้ลดจางคลายไปสัมผัสแต่ต้องอยู่เดีนน๋ยวนี้มันก็ไม่เกิดเห็นความไม่เกิดไม่ใช่ไม่มีสิ่งที่ยืนยันมีสิ่งที่ยืนยันไม่ใช่ไปนั่งสะกดจิตอยู่ครั้งนั้นครั้งนี้เห็นอยู่ตอนต้มันมีฤทธิ์มีแรงเลยแต่ก่อนโอ้โหะลิตแรงนี้เราสู้มันไม่ไหวมันมีความรู้บุพเพนิวาสานุสติญาณเราระลึกได้ว่าแต่ก่อนเรานี่เท่าอย่างนี้เราสู้มันไม่ไหว พอปฏิบัติแล้วเราสู้เก่งขึ้นจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เราสู้ได้เดี๋ยวนี้เราสู้มันได้อย่างสบายๆมีการประหารมีการหลุดพ้นมีการวีมุดอานอาการออกจริงๆเหตุปัจจัยต่างๆอยู่ครบอยู่เนื้อมันไม่ใช่วิง่งหนีมันเห็นอยู่ทนโตเลยอยู่เนื้อมันจริงๆอ่าอย่างนี้แหละนะอย่างนี้แหละเราเองเราจะได้รู้สัจจะเราจะศรัทธาตถาตถาคตโพธิศรัทธา ศรัทธาเพราะอ๋อพระพุทธเจ้าถูกคนพบสูตรนี้จริงทฤษฎีนี้จริงพระพุทธเจ้าท่านได้ทำกับตนเองมาหมดจริงเพราะเราหมดจริงเราจึงเชื่อว่าอ๋อพระพุทธเจ้าท่านหมดมา ก, ก่อนทฤษฎีของท่านเรามาปฏิบัติตามพิสูจน์ตามอ๋อจริงเราเชื่อ ว, ว่ามีคนที่ยอดเลิ่ยอดคนประเสริฐที่คนพบสิ่งประเสริฐสิ่งที่ไม่ง่ายๆนะสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องตื้นเขิน วิชาความรู้อย่างนี้ไม่ใช่วิชาความรู้สารสมันทั่วไปที่คนโลกเรียนกันเป็นวิชาโลกใหม่เป็นวิชาของคนประเสริฐแบบใหม่จะอธิบายลือศีดๆอาจารย์ใดๆเก่าๆก่อนๆอธิบายมาเป็นแบบสะกดจิตหลับตาอะไรเราก็รู้เราก็เคยเรียนด้วยบางคนบางคนไม่เคยเรียนก็เข้าใจก็อย่างงั้นไอ้อยางงี้มันแน่แน่ชัดๆมันเห็นตัวจริงอยู่ทนโทษ มันจะแน่ใจะจะเกิดศรัทธาสัจทินรีศรัทธาพระเกินมาจากศรัทธาสีเนี่ยกรรมสัทธาวิปากศรัทธากรรมสกตาศรัทธาตถ า, ตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาที่ญานตรัสรู้พระพุทธเจ้าโอ้ท่านตรัสรู้ทิศดีเอกยี่ยมยอดของโลกจริงๆนะเพราะเรามีจริงอย่างที่ท่านแนะนํามาเราก็เอามาพิสูจน์แล้วโอ้เป็นจริงเราเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะเราทําสิ่งวิเศษเราทําทิศดีวิเศษ เราทำมักผลวิเศษนี้ได้จริงๆต่างหากเราศรัทธาไม่ได้ไปศรัทธาเพราะคําสอนศัทธาเพราะตาราเชื่อกันมาศรัทธาเพราะอะไรต่างๆนานาเฉยๆเป็นความคิดความเห็นเฉยๆก็ไม่ใช่ศรัทธาเพราะรุกุศลลธรรมนี้อันเป็นสุดยอดแล้วจริงแม้ไม่ถึงสุดยอดก็พอศรัทธาได้มาเรื่อยๆเป็นกรรมสักตาศรัทธ า, ธาจนถึงที่สุดว่าวิมุตต์หลุดพ้นอย่างสมบูรณ์ถอนอสวรรถอนอนุสัย สุนยตาสุนยภาพถาวรแข็งแรงไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรปลวนเป็นกำหนดรู้ความเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แล้วเป็นหนึ่งเดียวไม่เปลี่ยนเป็นอื่นอีกเรื่องเลือดว่าหนึ่งแท้แท้ถึงที่สุดที่จบไม่แ ป, ปรปลวนอีกจริงๆคุณจะรู้ได้โดยตนคุณจะมีของของตนแล้วอาการอารมณ์ของวิมุตมันเป็นความเบิกบานมันเป็นความไม่เครียดมันเป็นความไม่ อึดอัดมันเป็นความโล่งโปรง่งสเบายสบายยังไงยังไงก็าอาการนั่นแหละอาการอย่างว่านั้นมันก็เป็นของใครของมันปัจจิตตังรู้รสเองอเหมือนชิมแกงคุณก็รู้รสของแกงเองให้คนอื่นชิมแล้วคุณก็จะฟังเขาบรรยายมันก็ไม่รู้ว่ามันยังไงแน่จะบอกว่าอาการมัก็คะเนเอาทั้งนั้นเออมันหวานจะแปรแ่แมมันหนักไปทั้งเปรี้ยวขนาดนั้นเปอร์เซ็นต์นี้เดาทั้งนั้นน่ยคุณไม่ได้ชิมรสเองไม่ได้แตะสัมผัสเอง ในสภาพสิ่งนั้นคุณก็ได้รู้เท่านั้นแต่ถ้าคุณมีเองแม้บางทีอธิบายสู่คนฟังก็เรงประมาณพูดกับเขาไม่ค่อยเข้าใจเออมันอย่างนี้นะมันเท่านี้เปอร์เซ็นต์นะมันอ่อนมากแข็งรสหวานเปรี้ยวจัดแน่นเบาว่างยังไงมันพูดยากเพราะมันละเอียดเหลือเกินมันนามาทำแต่เราทำได้นะ เพราะเรื่องของความเครียดเนี่ยเขาจะค้นคว้าหาเรื่องราวอะไรต่ออะไรต่างๆนานาสารพัดจากเหตุปัจจัยอะไรต่างๆก็ตามนะมีถามแทรกซ้อนมาว่าคนที่มีภารกิจมากๆมักจะวิตกกังวลยิ่งมีคนมีฐานะร่ำรวยมักจะยิ่งเป็นคนขี้กลัวขี้วิตกกังวลและเป็นโรคประสาทกันมากจะมีวิธีแก้เป็นขั้นตอนอย่างไรบ้างครับ ถ้าใครเข้าใจแล้วก็จะเหมือนกันที่อาตมาอธิบายไปแล้วกิกเลสโลภโกรดนั่นแหละก็มันยิ่งมีภา ร, าร ก, กิจมากและภาระต่างๆนั่นคือภาระอะไรอ่ะภาร ก, กิจมากคนที่มีภาร ก, กิจมากมักจะวิตกกังวลยิ่งคนมีฐานะร่ำรวยมักจะยิ่งเป็นคนคิดกลัวขี้วิตกกังวลและเป็นโรคประสาทก็นั่นแหละร่ำรวยแล้วมันไม่น่าจะ ก, กลัวอะไรมากมายในขนาดเราจนเนี่มาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยอาตมาว่าอาตมาจนนะอาตมาจนก็พวกคุณ อาตมาว่าพวกคุณยังมีสมบัติมีเงินทองมีทรัพย์สินอะไรมากกว่าอาตมานะเอาของสมบัติส่วนตัวอาตมาจริงๆเดี๋ยวนี้มาเทียบเทียบกับพวกคุณนั่งน่งอยู่นี่อาตมาว่าอาตมาแพ้ยับเลยพวกคุณยังมีหบาทสิบาทร้อยบาทพันบาทหรือมีเครื่องใช้ไม้ส้อยราคาแพงๆอะไรก็แล้วแต่เธอไอ้ที่คุณสะสมเก็บอยู่ยังปล่อยไม่หมดนั่นนะสมบัติอะไรของคุณอาตมาว่าแต่ละคนนี่อายุน้อยกว่าอาตมาก็ตามจะมีมากกว่าอาตมากันจริงๆนะที่นั่งนอยู่เนี่ย อาตมายังไม่กลัวยังไม่กลัวอดกลัวอยากยังไม่กลัวตายเลยก็คนที่มั่งมีร่ํารวยแล้วมันขี้กลัวมันกลัวอะไรกลัวจะอดจะอยากกลัวจะตายกลัวจะพร่องกลัวอะไรก็เขาไม่ได้มาฝึกเขี้ม้าเขาก็กลัวไปสารพัดน่ะกลัวจะพร่องโถมันจะพร่องอะไรบางคนได้กินชั่วสามโคตรยังไม่หมดเลยมันก็กลัวนั่นน่ะมันขี้โลคขนาดไหนเน่ยเราไม่มีเลยนะเรายังไม่เห็นกลัวเลย คุณไม่เอามาให้กินวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่มีจะกินน่ะก็ต้องไปติ้นดนหาเองอ่ะแต่คนที่มีโด้โหยเงินทองเข้าของจะไปซื้อไม่หามีอะไรก็มีทั้งนั้นก็ยังกลัวก็เพราะม่ไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้มาเรียนรู้นะไม่ได้มาศึกษาทางนี้เลยเพราะฉะนั้นจะต่อให้ร่ารวยมาหาศาลขนาดไหนก็มีเรื่องที่จะต้องกลัวเพราะมันไม่เข้าใจไม่เข้าใจของฐานนะชีวิตว่าเอชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ตั้งอยู่ยากอะไรนะ น่มันไม่ต้องวันไว้อะไรถ้าเราเชื่อเชื่อในบุเพกะตะปุญญาตาเชื่อในความสามารถเชื่อในคุณภาพของเราความดีของเราว่าเราเป็นคนดีเราเป็นคนไม่เบียดเบียนใครหรอกมีความขยันมันเพียนพึ่งตนให้ได้พยายามอุตสาหาข้นขวายไม่เอาเปรียบเอารัะอะไรหรอกไม่ขี้เกียจมีความสามารถอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ใช้ความสามารถนั้นใช้ความขยันนั้น ใช้สมรรถนะของตนนั้นอยู่มันจะทำได้แค่ไหนก็ตามกำลังวังชามันยังเหลือสรีระมันยังมีความสามารถที่จะใช้มันได้ขนาดไหนก็ตามแกก็ใช้สมแก่นะหนุ่มสาวก็ใช้สมหนุ่มสาวเด็กก็ใช้สมเด็กเท่าที่เราสามารถไม่ได้ย่อนข้อไม่ขี้เกียจ หรือมันจะมีโรคขี้เกียจอะไรเราก็คลายมันเราก็พยายามรู้ว่าขี้เกียจมันก็เลวอยู่นั่นแหละเพราะงั้นเราก็รักดีข้นขวายในสิ่งดีอุตสาหะในการกระทําดีอยู่ตลอดเวลาถ้าเราได้เป็นคนเข้าใจอย่างนี้แล้วประพฤติอย่างนี้จริงอยู่นะเรามั่นใจจริงๆและยิ่งมีหมู่กลุ่มเพื่อนฝูงญาติมิตรสหายมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีด้วยทำให้เราพลาดพลัง้งทำให้เรา พิการแก่เท่าหรือว่าเราช่วยตนเองไม่ได้เออเราก็ยังพึ่งได้มันมีตั้งตัวเราเองแล้วก็มีเพื่อนฝูงที่มั่นใจว่าเราพึ่งกันได้ด้วยแม้ตัวเราเองจะอย่างที่ว่าพิการไปแล้วมันทําอะไรช่วยตัวเองไม่ได้แล้วแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เป็นบุญเก่าที่ได้ทํามาแล้วปางไหนก็แล้วแต่ถ้าเราคิดไม่ออกก็ช่างมันแต่ปางนี้แหละเราคิดออกล่ะ กชาตินี้มาได้ทําทำดีมาเท่าไหร่เราเชื่อในกรรมเชื่อในกุศลเชื่อในคุณงามความดีเชื่อในคนดีที่ย่อมรู้ดีอ่านดีมองดีออกเออคนนี้ดีนะน่าช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่หรือคนนี้ดีเพราะเขาได้มาทำกรรมดีกับเราเขาเคยช่วยเหลือเราเขาเคย เ, ออเกื้อกูลอะไรก็แล้วแต่และคนที่ดีด้วยกันมันก็มีกรตันยุกระตะเวที เกื้อกูลขนาดคนที่เราไม่ได้ช่วยเหลือเขาเลยเพราะเขาไม่เคยมาช่วยเหลือเราเลยเราก็ยังช่วยเขาได้เพราะเราคนมีจิตใจเมตตาเกื้อกูลเอื้อเฟื้ออยู่แล้วเราฝึกตนเนี่ยเป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วในคนอย่างพวกเราเนี่ยฝึกกันไปก็ทําไมเราคนนี่มันมีคุณความดีแก่กันและกันมันจะช่วยกันไม่ได้อีกแล้วก็คนไม่ได้เคยทําความดีให้อะไรกับเราเลยเรายังฝึกตนมีเวลาโอกาสแรงงานหรือว่าวัตถุอะไรพอจะช่วยกันได้ เราก็ยังเอาไปช่วยคนได้ถ้าสมควรจะช่วยไม่ได้คิดเกี่ยงงอนอะไรเกินการไม่ได้หวงแหนกิเลสมันไม่ได้มีมากมายนั่นเองและยิ่งคนชูเคยช่วยเหลือเฟืองฟายกันเคยเกื้อกูลกันมายิ่งเกื้อกูลกันมามีคุณค่าไม่ใช่น้อยด้วยโอ้ยิ่งมั่นใจอัตมามั่นใจในกรรมมั่นใจในกุศลมั่นใจในความจริงที่อัตมาว่าอัตมารู้นว่าความดีคืออะไร อาตมาได้ทำความดีกับพวกคุณหรือไม่ทำมากแค่ไหนคุณรู้คุณเชื่อไม่ในความดีคือความดีอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ได้รับผลเกื้อกูลกันไปกันมาพวกคุณจะเป็นคนกระตันยูกตเวทีในจิตวิญญาณเท่าไหร่คุณก็ต้องมีความจริงอันนั้นจะแสดงตอบสนองหรือตอบแทนมันก็จะมีเป็นธรรมดา เราจะเกิดความมั่นใจในชีวิตมันไม่ต้องสะสมหรอกถ้าอย่างนั้นนะไม่ต้องไปสะสมไอ้สิ่งที่เป็นวัตถุสมบัติไม่ต้องไปสะสมสิ่งที่เขาแย่งก็ชิงอะไรกันข้างนอกนันหรอกสะสมแต่ความดีนี่เถอะความดีนี่มันเป็นนามธรรมเป็นพฤติกรรมเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมฝึกฝนสร้างสร้างสรรค์ อบรมฝึกฝนให้มีกายกรรมที่ดีให้มีวิจีกรรมที่ดีให้มีมโนกรรมที่ดีทั้งรู้ทั้งเข้าใจทั้งทำได้ออกมาทางกายทางวาจาทำไม่ได้และทำเสมอเสมอเสม อ, เสมอเป็นกรรมเป็นกิริยาทำและไม่ต้องไปสะสมอื่นสะสมแต่กุศลกรรมนี่แหละสะสมแต่การการะทำนี่วัตถุสมบัติเราจะรู้สึกเลยว่าหนัก สะสมวัตถุนักสะสมกุศลกรรมเบาเบาไม่ต้องเนบไว้ที่หูที่หัวไม่ต้องเนบไว้ที่นนที่นี่เราสะสมกุศลกรรมเนี่ยให้มันคล่องอยู่กับตัวยิ่งคล่องเท่าไรยิ่งเบาเท่านั้นกายกรรมลราปฏิบัติอบรมตนได้อย่างนี้เป็นกุศลกรรมสิ่งดีแล้วทรงไว้ในตัวเราแล้วมันเป็นอัตโนมัติเองยิ่งเบาคล่องแคล่วชนานํานาญเบายิ่งคล่องยิ่งแคล่วยิ่งเบายิ่งทําได้ง่าย ฟังภาษาโวหาที่อาตมาอธิบายบัญญัติอธิบายให้ชัดแล้วคุณทําให้เป็นจริงอย่างที่อาตมาว่าคุณจะพิสูจน์ยืนยันได้คนฉลาดแล้วจะไปสะสมทมําไมของที่หนักแล้วเป็นกรรมที่เป็นของตนแล้วเป็นวิบากของตนแล้วเนี่ยปล้นก็ไม่ได้ขโมยก็ไม่ได้โกงก็ไม่ได้ไม่ได้ด้วยนะเอาไปยัดเยียดให้คนอื่นก็ทั้งยาก เอาไปให้เขาทําบ้างทําอย่างเรานี่นะบอกเขานะเขาก็ต้องทําเข้าเองอีกแหละจะหมายความว่าเราเอาไปให้เขาแล้วก็เท่ากับเราถอนของตัวเองแบ่งของตัวเองไปให้เขาเพอให้เขาไปแล้วเราก็น้อยลงไปได้อยู่ที่เขาเราก็น้อยลงก็ไม่เป็นอย่างนั้นเรามีดีอันนี้เราได้อันนี้แล้วไปบอกเขาทําจะบอกว่าแบ่งมันก็ไม่ได้แบ่งเรามันไม่บอกเท่านั้นเองบอกให้เขาทำเขาก็ไปฝึกเอาได้ เขาได้แล้วเออเขาทำได้แล้วเราเลยพร่องไปเพราะว่าเขาทําทําอย่างที่เราบอกเขาทําดีอย่างที่เราบอกนี่เขาเลยทําได้เพราะทำได้แล้วเราก็เลยเพราะต้องแบ่งให้เขาเราก็เลยพร่องของเราไปก็เปล่าหรือใครเชื่อว่ามันมันพร่องเราทําดีอันนี้ได้แล้วเราก็ไปบอกคนอื่นมาทําดีสิฝึกอย่างเงี้ยเขาจะได้ดีงี้คนนั้นก็ไปฝึกได้ฝึกได้แล้วเราก็เลยต้องพร่องไปเพราะเขาได้แล้วก็ต้องถูกแบ่งใครเชื่อว่ามันเป็นงั้นไม่พร่องไม่แบ่ง ใครได้กับของใครนี่เป็นเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องดีอย่างเงี้ยเพราะงั้นเราเชื่อมั่นนะอาตมาเชื่อมัน่นเชื่อมั่นในกรรมอย่างเนี้ยเพราะงั้นเราสะสมสิ่งที่เราคิดว่าควรสะสมยิ่งกว่าแล้วมันจะมั่นใจมันจะอาจหารกล้าวๆเอ้ยไม่เอาก็ได้เงินทองเข้าของทรัพย์สริงคารไม่สะสมให้มันหนกักเราสะสมสิ่งเบา สะสมคุณธรรมสะสมกายกรรมวจิกรรมมโนกรรมที่ดีที่เป็นกุศสลสะสมบุญจะเป็นบุเพกตาบุญญตาบุญที่ได้สะสมไว้แล้วมาก่อนสะสมไว้เรื่อยๆมันสะสมไว้เท่าไหร่มันก็เป็นบุเพกตาบุญยตาเราเท่านั้นบุญที่อันจะสะสมเข้าไปทําดีดีๆๆๆเข้าไปเรื่อยๆเป็นของจริงต่อหน้ารับหลังแล้วก็ทําดีอย่างนี้เลยๆเชื่อมั่นในกรรมอย่างนี้แล้วเราก็สะสมอย่างนี้แหละอ้ยิ่งสะสมยิ่งเบายิ่งสะสมยิ่งจริงแล้วติด เป็นนานเป็นพลวะปัจจัยด้วยเป็นกรรมเป็นวิบากซึ่งพระเจ้าเทโวตัดเธอไม่เอาอะไรไปหรอกเธอเอากรรมเอาวิบากของเธอนั้นได้ไปอันอื่นมันไม่ได้ได้ไปหรอกเธอแม้เธอจะตายจากชาตินั้นสู่ชาตินี้ก็มีแต่กรรมมีแต่วิบากตราบใดยังไม่สิ้นสังสารวัฏยังไม่ปรินิพานยังไม่อนุปาทิเสสนิพานทาตไปไปหมดสิ้น ก็ยังมีกรรมมีวิบากเกิดวนเวียนมาเป็นขนาดสูงส่งขนาดเป็นพระพุทธเจ้ากรรมและวิบากนั่นก็ยังตามมาอยู่อย่างที่เราก็ได้เรียนแล้วมีหลักฐานยืนยันอะไรต่างๆนานาของตัวเองก็ดูสิยืนยันจะยืนยันอย่างรู้แจ้งรู้จริงมั่งไม่รู้จริงมั่งอะไรก็ตามใจเถ อ, อะพิสูจน์ไม่พิสูจน์ปัจจุบันก็ได้ไปตบหน้าคนก็มั่งทีจะมีวิบากไหม อตาตมาว่าจะทันตาเห็นนะนะเขาก็จะเปรี้ยงตอบคุณให้เท่านั้นนะ่ะรับรองลองด้วยที่ไม่เชื่อพิสูจน์เลยไม่เชื่อแตลอ่ลองคนหมัดเบาๆหน่อยนะเดี๋ยวคุณไปเปรี้ยงตบหน้าเขาแค่ลองเราไม่เอาเบาเราไม่เอาหนักเท่าไหร่แต่เขาตอบมาจะหนักขนาดเขาทายกาแล็กซีอย่างนี้แนละคุณชักลงไปอตาตมาไม่รับรองนะเลือกหน่อยเลือกคนลองหน่อยก็แล้วกันพิสูจน์วิบากมันมีผลเนี่ยนะมีผล ถ้าเราทำดีเขาอะเมตตาเกื้อกูลช่วยเหลือเขาบ้าง mm hmm. เขาก็จะมีเมตตาเกื้อกูลช่วยเหลือตอบถ้าคนมันไม่หยาบเกินไปะนะมันก็จะมีภาวะแอคชั่นรีแอคชั่นไม่ต้องพิสูจน์จากวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยนะมันจะมีจริงๆนะมันจะมีผลตอบทํามากๆนานๆมันก็ยิ่งเชื่อใจมั่นใจกันแม้คุณจะเจตนาเท่านั้น แท้จริงมันไม่ได้ออกมาจากใจแต่เป็นกรรมเครียร์กายวาจาดีเท่านั้นคนก็ยังรับได้เลยยิ่งใจก็จริงด้วยกายกรรมวาจีกรรมนั้นออกไปจากใจที่จริงด้วยโอ้โหมันยิ่งเนียนมันยิ่งสนิทมันยิ่งจริงก็มันก็ยิ่งแหมเป็นผลตอบโต้ตอบสนองกันผูกพันหรือว่าสัมพันธ์กันไม่ต้องผูกลรอกนไม่ต้องผูกพันอนะ ต้องรู้ภาษาสัมพันธ์กันอย่างดีเลยมันยิงย่งเป็นภาวะที่ตอบรับกันเกื้อกูลกันสัมพันธ์กันสนิทอย่างสนิทใจสัมพันธ์กันอย่างถ่ายทอดกันอย่างดีในสภาพที่อาตมาพยายามอธิบายในอาตมาว่าอาตมามีสัจจะนะมีสัจธรรมในใจที่รู้พยายามหยิบสัจธรรมพวกนี้มาอธิบายใบอกคุณเป็นภาษาไทย อาตมาเป็นคนไทยพูดภาษาอื่นไม่เก่งมีภาษาไทยเก่งอย่างเดียวภาษาอื่นก็อันตัวไหนที่มันคิดว่าเออมันพอเข้าฐามันตรงก็หยิบมาประกอบบ้างภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาอื่นๆได้ก็อาตมาก็ยิ่งไม่เก่งใหญ่มีภาษาไทยแบบอีสานบ้างก็มีรู้มากหน่อยรองจากภาษาไทยกลางนี่กัภาษาไทยอีสานนี่ก็รู้มากหน่อยเขารู้มากพอๆกับภาษาไทยกลางหรือว่าจะมากกว่าก็ไม่รู้นะ เพราะอาตมาก็คนอีสานอยู่อีกเกิดจากอีสาน ร, รู้ภาษาอีสานมาตั้งหลายสิปีเหมือนกันแต่อายุยังไม่ถึง20่หรอกอาตมามาอยู่กลางแต่ก็พูดภาษากลางอยู่แล้วแหะอยู่ที่อีสานมันก็หัดพูดภาษากลางกันอยู่แล้วก็ศึกษามาก็เท่านี้ใช้ภาษาเป็นสื่อความจริงมันจะสื่อออกมาด้วยภาษาอะไรที่อาตมาพอเข้าใจว่าความหมายของภาษาคํานี้ความนี้ประโยคนี้วลีนี้เมื่ออธิบายอันนี้ก่อนอันนี้หลังอย่างนี้เราจะเข้าใจอย่างไร ก็ใช้ศิลปะวิทยาที่เราสามารถสื่อมานั้นให้พวกเราได้ฟังได้รู้ได้เข้าใจให้มันเข้าใจดีที่สุดละเอียดที่สุดถูกตรงที่สุดก็พยายามนะเพราะใครก็แล้วแต่ถ้เาเผื่อว่าเขารู้เขาเข้าใจอย่างที่อาตมาอธิบายไปแล้วจะเป็นคนร่ำรวยเป็นคนยากจนมันจะมาทิศทางเดียวพระพุทธเจ้าเห็นแล้วว่าคนเรานี่การยากจนไม่สะสมนั่นแหะยิ่งวิเศษกว่าก็เคยพูดแล้วว่าประเสริฐอะไร กับคนที่จะมีลาบมียศแล้วมีคนกราบไหว้คนไม่มีลาบไม่มียศแล้วไม่คนมากราบมาไหว้ในประเสริฐกว่าเหนือชั้นกว่าใช่ไหมก็คนมียศอก็โลกมันรู้กันแล้วมันต้องไปเคารพคนมียศคนมีเงินมากๆกรเด็นนี้มันก็ไหว้กันยังอะไรดีกราบไหว้ยอมยกให้กันยังอะไรดีแต่คนไม่มีเงินเลยมายังไงก็ไม่ได้เงินจากคนนี้แต่เขาก็ยังมากราบมาไหว้ยกย่องบูชาศรัทธาด้วยซ้ำมันแน่กว่านะ อาตมาว่าเหนือชั้นกว่านะไม่ต้องมีลาบไม่ต้องมียศเนี่ยมาเหนือชั้นกว่าเพราะคนที่มีอยู่เขาก็กลัวเขารู้ว่าลาบมันมีอิทธิพลยศมันมีอิทธิพลเพราะเขาก็เกรงกลัวเนี่ยที่มาถามถามมาเนี่ยมีภาร ก, กิจก็เป็นภาร ก, กิจที่จะต้องรักษาลาบยศสันเสริญหรือโลโล โ, ลโลกียสุของตัวเองเอาไว้อย่าให้เสื่อมอย่าให้พร่อง กลัวกลัวมันพร่องเพราะงั้นก็เลยต้องโอไม่ได้หรอกภารกิจวันวันคืนคืนเนี่ยต้องติดต่อติดตามมาไว้ภารกิจอาตมาก็มีภารกิจพวกเราก็มีแต่ภารกิจที่ต่างกันแล้วของคนโลกุตรักับคนโลกิยานี่มันต่างกันนะอันนึงเป็นอํานาจอามิตรเป็นอํานาจโลกธรรมเป็นอํานาจของลาบยศเสสรโลกีสุขเนี่ยเป็นตัวที่คุณกลัวมันจะพร่องในของโลกียะ ส่วนของโลกุกตระที่คุณมาปล่อยมาวางโล ก, กิยะแล้วมาปล่อยไอ้อย่างโลรคที่มันถือว่าเป็นของเลิศโลคกระทำแปดเนี่เป็นของเลิศเพราะว่าปฏิบัติโลกรุตระแล้วเนี่ยคุณเองคุณปล่อยคลายมาเรื่อยๆแล้วคุณก็มีภาร ก, กิจเหมือนกันเพราะว่าอาตมาไม่ได้พาแนะนําหรือสอนให้หมดภาร ก, กิจไม่หมดภาระเอาภาระด้วยเป็นคนเอาเอาภาระด้วยนะจะเป็นคนที่ เนือยนเนืยในในแบบฤาษีชีไพรลทัทธิอื่นที่ต่างๆกับพุทธอยู่เนี่ยที่อาตมากําลังพยายามชี้ยืนยันว่าพุทธเราไม่ใช่เป็นพวกไร้คุณค่าไร้ประโยชน์อย่างนั้นนะเราก็เอาภาระแต่เอาภาระของเรามันสบายเนี่ยมันไม่ต้องการผลตอบแทนอะไรแล้วเราก็รู้ว่าเรายิ่งทํามันก็เป็นคุณค่าของเราเองนั่นแหละนอกจากเป็นคุณค่าของเราเองแล้วมันก็เป็นคุณค่าของมนุษยชาติของโลกด้วย ประโยชน์ตนประโยชน์ еты, ท่านนี่สรุปแล้วมันเป็นอันเดียวกันลงท้ายมันเป็นอันเดียวกันคนที่เป็นพระอริยเจ้าสูงขึ้นแล้วเนี่เราทําประโยชน์แล้วก็สร้างสรรสร้างสรรนั้นมีปัญญาสร้างสรรเราจะสร้างสรรอะไรเรามีเศรษฐกิจเรามีเศรษฐศาสตร์ในความรู้เรามีความรู้ในเศรษฐศาสตร์เราเห็นว่าอะไรควรสร้างเราก็สร้างเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะเอาสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแลกลาบมาให้ตน สร้างขึ้นมาเป็นแรกยศมาให้ตนสร้างขึ้นมาเป็นแรกสันเสริญมาให้ตัวรสร้างขึ้นมาเพื่อไปแหลกโลกีสุเมเศ็ก็ไม่ได้สร้างอย่างนั้นถึงแม้จะสร้างจะมีโลกธรรมอยู่บ้างสําหรับไม่ใช่อริยะชั้นสูงมันก็น้อยใช่ไหมมันไม่เหมือนกับพวกที่มีอยู่มากๆแล้วก็ยังไม่รู้จักพ อ, อลาวก็มีมากยศก็มีมากแล้วสันเสริญก็มีมากแล้วโลกีสุก็มีมากแล้ ว, แ, ล ว, ล แ, ลวแต่เขาก็ยังไม่พอเมื่อไม่พอเขาก็จะต้องหวงแหนของเก่าสะสมของใหม่อีก มันหนักขนาดไหนน่ยดูสิแบกบของเก่าอันมีมากอยู่แล้วอ่ะก็ยังไม่ยอมปล่อยยอมวางและยัง ห, หามาเติมของใหม่ถึงยากกว่าเก่าอีกนะเพราะว่าคนมีล้านอยากได้สองล้านนี่ ก, ก็ยากขึ้นได้สองล้านอยากได้อีกสี่ล้านเพิ่มขึ้นมันก็ต้องยากขึ้นไปอีกใช่ไหมมันต้องอุตสาหะพยายามขนขวายหนักขึ้นไปอีกแต่ทางนี้เราแล้วทางโลกุตระ <c oughs> ไม่ได้ไปสะสมอย่างนั้นไม่ได้ต้องการอมิตรอย่างนั้น ยิ่งซ้อนเชิงไปอีกเลยนะยิ่งปล่อยยิ่งปล่อยก็ยิ่งรู้สึกเบายิ่งว่างโอ้ยไม่ต้องไปหวังที่จะได้ลาบมาคุณอ่านจิตใจของคุณเวลาคุณทำเนี่เดี๋ยวมันจะได้ผลอย่างนี้มาสมใจคุณก็จะรู้สึกว่าโอ้โหมันทุกข์นะคุณจะรู้ทุกข์ที่ชัดเจนเพราะคุณทําเออมันไม่ต้องหรอกเรารู้ตามความรู้เท่านั้นว่าถ้ามันได้อย่างนี้มันก็ดีถ้าไม่ได้เราก็ไม่ต้องอกหักเราก็ไม่ต้องผิดหวังแต่ถ้ามันได้มันดีเราก็รู้ว่าทําดีให้ถึงพร้อม ยังกุศลถึงพร้อมทานีถึงพร้อมเมื่อถึงพร้อมเออก็แล้วไปแม้มันไม่ได้เออไม่ได้มันว่างกว่ากันมันเบากันมันโล่งกว่ากันนะยิ่งคุณวางมันได้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งลงมากเท่านั้นเบาใจมากเท่านั้นมันไม่หนักท้งโน้นมันยิ่งหนักมันไม่รู้จักวางเลยท้งนี้มันมีแต่แบกแบแบเพิ่มแบกท้งนี้มันจะวางวางวางวงวามันก็ยิ่งเบาเบาเบาเบาบ แต่สมรรถภาพไม่ลดนั่นไม่ลดนี่สมรรถภาพยิ่งไม่ลดเพราะเราทำอยู่เป็นภาระกกรับสมควรทำทำแล้วมันเป็นคุณค่าไม่เป็นอัตมาบอกแล้วว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมันมันเป็นอันเดียวกันสุดท้าย <c oughs> เราทำสร้างขึ้นมาเมื่อสร้างขึ้นมาเป็นสิ่งใดสิ่งนั้นแล้วเป็นผลผลิตแล้ว เราไม่ได้หวงแหนเราก็เกื้อกูลให้คนอื่นไปคนอื่นก็คือแล้เป็นประโยชน์ท่านแล้วประโยชน์ตนตรงไห น, นประโยชน์ตนตรงที่เรารับรู้รู้ว่านั่นเป็นเราทำนั่นเป็นของเรากรรมเราก่อนั่นเป็นงานเราสร้างและเราก็ไม่ต้องไปจดจำผูกใจว่าเป็นของกูของกูของกูของ ก, องกูนี่ก็เรียนกันแล้วไม่รู้กี่ชั้นกี่ตอนใช่ ก็ไม่ต้องไปจดจําไม่ต้องไปผูกใจว่านี่เป็นของกูก็ให้กันไปแต่สัจจะความจริงก็คือเราทํากูในในเองสร้างด้วยมือกูแท้ๆแต่เราไม่ทำใจในใจของเราว่าผูกก็เป็นของกูเท่านั้นเองเห็นไหมมันลึกซึ้งเมื่อเราไม่ผูกว่าเป็นของเราเราก็ไม่มีเยื่อใยความหนักความทุกข์ความไม่ปล่อยมันก็ปล่อยมันไม่ผูกมันก็ปล่อยไปแล้วใจมันก็ปล่อยมันไม่ผูก มันก็ไม่หวงแหนมันก็ไม่ติดยึดอะไรแต่สิ่งนั้นก็เป็นแล้วมีแล้วเกิดแล้วเป็นประโยชน์ท่านไปแล้วประโยชน์ตนตรงที่ทําคุณธรรมอันปล่อยวางนี่ ใ, นให้ได้สูงคุณมีสิ่งที่สร้างคุณก็ได้ปล่อยสิ่งที่สร้างคุณก็ได้ทําแบบฝึกขัดในการปล่อยสิ่งที่คุณสร้างคุณได้แบบฝึกขัดนั้นคุณ ก, ก็ทําการปล่อยได้อีกคุณก็เกิดคุณค่าเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ตนคือหัดมาวางมาปล่อยยิ่งสิ่งที่เราสร้างยิ่งเป็นของที่มีคุณค่ามากเท่าไรเท่าไรเท่าไร คนเรามันก็ยิ่งจะหวงแหนใช่ไหมของที่มีคุณค่ามามันจะยิ่งจะถือว่าเป็นของกูของกูไอ้ของที่มันคีดก็กโลดโถะเออใครจะไปอย่างอย่า ง, งจริงๆตู่ตูเอาชาวบันเทอะแต่ของดีๆเนื้อเนื้อเนี่ยต้องของขค่าของดีๆสูงสูงวิเศษเนี่ยต้องของค่านี่คาทําเองนี่ฝีมือของค่านะใช่ไหมมันก็ยิ่งจะไปหวงแหนสิ่งที่มีคุณค่าเราก็ยิ่ง จะต้องวางจะต้องปล่อยนิ่อาตมาเคยยกตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้านี่สิ่งสร้างสิ่งวิเศษที่สุดที่มนุษย์อันพึงจะยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะสร้างได้ถ้าก็ฝึกมาเนี่ยเป็นโพธิสัตว์ี่รู้ดีว่าต้องทิ้งสิ่งวิเศษนี่ต้องทิ้งต้องวางใจวางใจอย่าไปหลงเป็นของตัวเองอยู่มันเหนือชั้นกลับกันกับโลกียะแขกเพชรแข่ทองแข่เงินก็บอกแล้วมันจะไปแพงกว่าคุณธรรมโลกุตตรธรรมพวกนี้อะไรโลกุตตรธรรมนี่ถอะมันหาค่าบอกไม่ได้มันตีราคาเหนือชั้นกันนั่นอีกตั้งเท่าไหร่ แล้วเราก็เห็นจริงว่ามันเหนือชั้นจริงๆเราก็จะเริ่มหวงแหนได้นิดได้หน่นอยก็หวงแหนได้มากขึ้นก็จ ะ, จะหวงแหนหรือว่าจะวางได้ยากขึ้นเรื่อยๆก็มาหัดวางซ้อนเชิงไปเรื่อยๆยิ่งยิ่งใหญ่ก็ยิ่งหัดวางได้มากประโยชน์ตนก็ยิ่งเกิดตรงที่วางสิ่งวิเศษนี่วิเศษยิงยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เราก็ยิ่งวางได้วางได้ก็เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็เกิดไปตามเมื่อเราสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ท่านก็ได้ประโยชน์ท่านเราก็ได้ประโยชน์ตนพร้อมกัน ทำได้ปุ๊บได้ปั๊ บ, บทั้งคู่เราให้ประโยชน์ท่านได้แต่ประโยชน์ตนยังไม่วางเราก็ไม่มีประโยชน์ตนถ้าคุณทําได้ทําประโยชน์ท่านได้ปับ๊บแล้วก็วางได้ปุ๊บเหมือนกัน อ, อันเดียวกันเลยทันทีทันใดไม่ก่อนไม่หลังกันก็ยิ่งดีใหญ่เลยยิ่งเป็นหนึ่งเดียวเลยไม่ก่อนไม่หลังกันประโยชน์ท่านกับประโยชน์ตนพร้อมกัน แล้วก็วางในทันทีเร็วดว่วนล้าก็เบาทันทีเร็วด่วนโลง่งทันทีเร็วด่วนไม่ต้องผูกไม่ต้องกดไม่ต้องกักไม่ต้องเก็บไม่ต้องสะสมอะไรเลยโลง่งโปรง่งสบายจะหาความเครียดมาจากไหนอ่ะนะแล้วมันจะมีความเครียดในเราทาไมไม่มีความเครียดไม่มี เพระาะันทางโลกกับเขารักษาการไปเทอร์นี่ตำราเขียนกันเป็นกูรุตกูรุตเลยนี่จะหาทางลดความเครียดกันออกวิธีนั้นวิธีนี้กลยุทธวิธีนั้นวิธีนี้มันก็ข้างเป็นผลเคียงเท่านั้นเองไม่เข้าไปหาผลแท้หรอกเพราะเราเนี่ยเรเรียนผลแท้แก้ตรงตัวปัญหาที่ถูกต้องของเขาไม่ได้แก้ตรงปัญหาที่ถูกต้องหรอกเคียงเคียงมันไม่มาตรงเป้าเป๊ะเปะ๊ปะป๊อย่างที่เราว่านเพราะโลกทุกวันนี้นี่นะ มีทุกข์เหมือนกันทั้งนั้นน่ะแต่เขาไม่รู้ความเครียดมันเป็นทุกข์เหมือนกันน่ะแต่เขาไม่รู้แล้วเขาก็ไม่รู้จะแก้อย่างไรแก่ได้ผลเคียงหมุนวนอยู่นั่นน่ะเหมือนกับเขาบําบัดอย่างที่ว่าเนี่ยบำเรอบําบัดแก่ทุกข์อันนี้ก็เอาอันนี้มาบำเรออันนี้มาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนอันนี้ให้มันลืมอันนี้ไปชั่วคราวแล้วมันไม่ได้แก้สลายตัวเหตุสมุทรไทยนั้นให้มันตายสนิทจริงๆเมื่อไม่ได้สลายตัวเหตุปจนะัจจัยนั้นสนิทจริงๆ ไม่แล้วอีกกี่ชาติก็ไม่แล้วขนาดที่เรารู้กันในน้เนี่ยยังไม่ใช่ง่ายใช่ไหนี่ไม่รู้ชาตินี้จะแล้วเปล่ามันจับยากจะตายนามมาทำแต่เราก็ต้องทำถ้าเราไม่ทำก็ไม่มีทางได้ใครจะมาทำให้เรายิ่งทำก็ยิ่งชำนาญมีสติสัมปชัญญะให้ดีจริงๆ สติสมพพชงทำวิจัยสมพพชงวิริยะสมโพชงอย่าให้มันพล่องอย่าให้มันหล่นอย่าให้มันลืมให้มันมีเรื่อยๆแต่จะไปเครียดมากจนกระทั่งเคร่งมากจนกระทั่งเกรงเคร่งจนเกรงโอ้ยกลัวจะผิดกลัวจะพลาดอะไรก็ตายพอดีเ <_ d ick> ขาถึงบอกว่าแบ่งแบ่งทำสําสหรับแต่ละฐานะใครทําได้ฐานะไหนแล้วมันจะเป็นอินทรีย์พละมันจะเป็นพลวัตปัจจัยเสริมหนุนให้เราทําได้มากขึ้นคล่องขึ้นทําได้เก่งกาจขึ้นรับ เอาข้อปฏิบัติเข้ามามากๆแล้วก็มีความคล่องแคล่วมุทุภูเตกรรมเนเยนะทำได้เก่งขึ้นบอยไวขึ้นมันเป็นของจริงมันต้องมีของจริงมันถึงจะเกิดได้นั่งคิดนั่งนึกเอามันก็ไม่ได้ความรู้ก็ได้แต่รู้ถ้ามันฝึกยังไม่ได้มันก็ได้แต่รู้ถ้าฝึกได้มันก็จะมีสมบัติจริงเป็นคุณสมบัติหรือเป็นอริยะสมบัติที่จริงก็มาใช้กับเรานะ เนี่ยวิธีล้างความเครียดอะไรๆในโลกนี่อาตมาก็น่าจะได้พูดตั้งนานแล้วที่จริงอเออปฏิพานเราก็ไม่ดีวันนี้มันนึกได้มันนึกออ ก, กอ๋อพูดกันเถอบ้างเหอะอ่าเพราะฉะนั้นในทุกวันนี้พวกเรานี่นะจะว่ากันไปแล้วเครียดเครียดนี่เราไม่ไเครียดเหมือนชาวโลกเขาเท่าไหร่หรอกเพราะชาวโลกนี่นเขามีภาระที่จะเครียดมากกว่าเราแย่อ่า กลัวบ้านหายกลัวไอ้ของหายกลัวรถสมบัติลาบกลัวรถยดกลัวพร่องอไอ้นินพร่องอันนี้คนโรคเขาจะได้เครียดมากนะโอ้โหโรงพยาบาลรับกันไม่ไหวไม่ไหวพวกเราเนื่องๆไปโรงพยาบาลกับเขาน้อยระวังนะพอเราไปโรงพยาบาลก็บอกว่าเกิดพวกนี้มาปฏิบัติทางกับชาวโซนเนี่ยไปเข้าโรงพยาบาลแล้วหมอก็ตรวจว่าโรคอะไรเนี่ยโรคความเครียดตายขายหน้าตายเลย พวกเราในโลกความเครียดนี่คล้ายหน้าตายเลยเพราะถจะบอกว่าทําไมนะมันได้แล้วทําไมมันจะต้องมาสะสมอารมณ์ซ้อนอารมณ์ซ้อนเนยก็เบิกบานร่าเริงก็ได้นี่น้ําก็มันได้ดีมาชนิดหนึ่งอีกแล้วแล้วมันมาผูกใหม่มันมาผูกจัดนะมันมันมาถือจัดถือดีจัดนะมันมาถือกันเองนี่แหละมาถือกันเองเ่ยมันมีคุณค่าต่างกันกับโลกโลกเขานี่ยมันเอามาเป็นของตัวเลยนะ แต่ว่าทางธรรมเนี่ยมันมาถือกันเองบ้างเนี่ยมันก็คือรักดีแก่กันอะกันบ้างแต่มันก็ถือนะทําไมเป็นอย่างนี้อยู่ได้นะทำไมอ้าก็ทําไมลก็เขาทํายังไม่ได้จะทําไมก็ตอบให้ฟังแล้วทําไมเขาทํายังไม่ได้เขาก็เป็นของเขาแค่นั้นน่ะจะไปทําไมล่ะคุณทําแทนเขาก็ทําไม่ได้เขาก็ต้องทําของเขาเองแล้วเขาถ้าเก่งแค่นั้นน่ะอย่าไปสงสัยเลยนะทำไมทําแค่นี้ไม่ได้ก็กูไม่เก่งนี่ว่ะเท่านั้นน่ะสิ ว่าตอบยังไงกันอีกล่ะก็กูทําได้เท่านี้นี่หว่าเอ๊ะทาไมทำไม่ ไ, มได้ก็ทําได้ก็ทําไปแล้วทีเออมาบังคับให้เก่งอยู่ไม่ได้บังคับกันได้ที่ไหนแล้วเออเห็นใจกันบ้างสิเขาก็ไม่ได้ต่ํากว่ามาตรฐานที่เราวัดไว้แล้วนี่นะเออเนี่ยมันก็ไม่เร็วเกินกว่านี้นะเนี่ยคนมาอยู่หมูน่นี้นี่มีคุณธรรมเท่าไหร่มีคุณค่าเท่าไหร่มีคุณภาพเท่าไหร่เราก็วัดวัดไปแล้วเอานะ้าไม่ต่กาก็เกรงเกินไปเอาวะอ่ มันใจมันอยากเร่งร้อนมันอยากให้ดีดีๆ todo, ีเข้ามาทั้งทที่มองที่จะให้ดีกว่าตัวเลยนะตัวไม่ดูตัวตัวเองไม่ได้ดีกว่าเขาที่จริเขาดีกว่าเรานะแต่ไปมองจุดบกพร่องของเขานั่นนะจะมองให้แต่เขาให้สะอาดตัวเองยังเลอะอยู่ยังไม่เอานะก็ตัวเองยังเลอะมากกว่าเขาได้ซ้ํากว่าจะไปทําไมไม่ทาให้ดีก็รักเองน่ะเองน่ะเองอ่ะแม่ไมต้องย้อนกันบ้างพอย้อนกันมันก็โกรธมันถือตัวช่างฆ่าเอองกันแล้วกันนั่นไปนอนเลยโยนโตมันเองให้ดีกันแล้วกันฆ่าไม่ดีก็ช่างเออ ไอ้ความถือตัวเป็นอย่างนั้นนะไอ้ที่ตัวแล้วก็ไม่ดูตัวแล้วก็ไม่เอาที่ตัวพระพุทธเจ้าได้สอนว่าตนควรทําคุณันสมควรของตนซะก่อนแล้วค่อยสอนผู้อื่นจะไม่มัวมองกันจะไม่วุ่นวายกันจะไม่เดือดร้อนกันมนันต้องสร้างคุณันสมควรให้แก่ตนก่อนแล้วค่อยสอนผู้อื่นแล้วค่อยติงผู้อื่นท่านก็สอนไปแล้วนะแต่กิเลสมันไม่เคยเชื่อหรอกกิเลสมไม่เคยเชื่อพระพุทธเจ้าหรอกกิเลสอ่า มันเป็นลูกผีลูกมานมันเป็นลูกซาตานมันก็ต้องทําตามนาที่ของซาตานมันไม่ก็เชื่อพระพุทธเจ้าหรอกถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าสักอย่างนะไม่ทุกหรอกมไม่เครียดหรอกมันไม่วุ่นหรอกสบายมันประมาณได้ประมาณได้อพอเหมาะพอดีนี่มันไม่พอเหมาะพอดีในตัวก็ได้ต่ําเตี้ยกับเขาได้ซ้ําไปถึงแม้ว่าเราสูงกว่าเขาก็ตามก็ยังต้องประมาณอีบุตรเจา้ามันสอนไว้ละเอียดพอดผู้รู้นี่จะติเตียนใคร ต้องไตรตรองก่อนสมควรหรือยังสมควรไหมเขาศรัทธาพอไหมถ้าก็สอนไว้นะเขาไม่ศรัทธาอย่าไปสอนเขมากมายเลยต้องให้ศรัทธาถึงขีดน่ยมันถึงจะสอนได้ดีนะเขาศรัทธาไหมกาละนี้เหมาะไหมต่อชุมชนอย่างนี้เหมาะไหมอ่าส่วนตัวกันเนี่ยมันพอแล้วยังพอจะว่ากันได้ยังโอ้ละเอียดละออกมากกว่าที่อัตมาพูดนี่อีกเพราะจะติเตือนติเตียนคนอื่นใครครวรก่อน แล้วจะตีเตียนก็จะตีเตียนมีหลักตีเตียงต้องตีเตียนด้วยศีลท่านใช้คําสั้นๆตีเตียนด้วยศีลตีเตียนมีหลักนะถ้าตีเตียนไม่มีหลักแล้วก็เขายันตูงลงมาไม่มีหลักนุ่นลงนุ่นเลยเขามีหลักดีด้วยเซตเขาตีเตียนไม่มีหลักนี่เซตเขาอีกต้องเตรียมท่าไว้ดีๆมีหลักมันๆเขาติีเตียนก็ะเพาะเขายันต่อบปั๊บๆแล้วก็เอาหลักปั๊บเข้าไปอยู่ได้ อันนี้ติเตียนประเภทไม่มีหลักเลยเนี่ยเขายันหลักมาหรือก็ไม่ตรงหลักล็อกไม่มีหลักมือแรงมาเท่านั้นก็ไปแล้วไม่ต้องเอาหลักกันไปแล้วแต่ถ้ามันมีหลักแล้วจะแรงมายัางไงด้วยเรายังมีหลักอะไรกันดีๆด้วยแล้วเนี่ยมันไม่เสง่ายเขาจะยันตอบมากล้วเไม่เซท่านสอนไว้ละเอียดละออนจริงๆพระพุทธเจ้าเนี่ยล้วละเอียดใช่ไหมแต่แค่ว่าผู้รู้ติเตียนผู้อื่นไตรตรองแล้วติเตียนผู้อื่นด้วยศีลได้หรือไม่นําร้อยกองแน่นไว้ตรงเนี้ย ผู้รู้ติเตนไตรตรองแล้วติเตียนผู้อื่นด้วยศีลได้หรือไม่เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเราไว้ถึงบอกว่าละเอียดสุขุมประนีจริงๆเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยติเตียนเราเราก็เรียนเราติเตียนเขาเราก็เรียนแต่ก็ต้องหัดฝึกในรายละเอียดพวกนี้ออติเตียนกันเมตตาติเตียนกันแล้วก็ต้องดูกาลเทศะถ้าพว ก, พวก เ, รเราประมาณถูกตามที่อัตมาว่าโอ้ยมันสงบกว่านี้ นี่มันยังไม่สงบกิเลสมันยังแซมอยู่เยอะใช่ไหมมันมันค่อยพอดีอจะติเตียนเขายังไม่รอกกิเลสมันเข้ามามันไม่ได้ไต่ตรองอะไรทางนั้นมันซัดเลยมันถือตัวเขาซัดตอบมาไม่ได้อีกดันทุลังเลยทีนี้ตายเป็นตายวะมันไม่เอาแล้วผีเข้าแล้วเลือดเข้าตาอย่างเงี้ยมันก็แยกกันนะมันถ้าบอกว่าเรารู้ตัวรู้ประมาณได้ศึกษาเราเรียนพวกนี้แล้วจะสงบ เอพวกเราได้ศึกษากันไปทุกวี่ทุกวันมีสภาพจริงแล้วอาตมาก็พยายามวิเคราะห์วิจัยให้เห็นให้ได้ยินว่ามันมีลักษณะคล้ายกันเราทะเลาะกันก็มีลักษณะทะเลาะคล้ายๆกันแต่ถ้าเราได้เหตุปัจจัยต่างกันมันพูดดีกว่ากันนะที่อาตมาพูดนี่ไม่ใช่มาแกล้งยอพวกคุณมันไม่ใช่เพราะอย่าไปแย่งลาบอย่างยศอย่างสรนเสริญอะไรแบบพลกโลกไม่ใช่มันมันก็แย่งกันหรือมันก็ใช้วิธีการที่จะ ต่อสู้กันเหมือนกันมันเป็นโจทย์มันเป็นแบบฝึกหัดมันเป็นบทบาทปฏิกิริยาที่จะต้องขัดเกลาตัวขัดเกลาสันเลขาธรรมนั่นเองมันเกิดสันเลขาธรรมกันอยู่ตลอดไปมันเป็นการวิเคราะห์วิจัยเป็นการที่จะทําปฏิกิริยาที่จะต้องเจริญขึ้นให้ได้ไปเรื่อยๆนี่เราก็เติมเติมแถมแถมที่เราได้ศึกษาขึ้นมาเรื่อยๆว่าเราก็พยายามเรียนรู้ไปเพิ่มขึ้น แล้วเราก็ปรับไปบอกแล้วว่าเรารู้ก่อนแล้วเราก็ทำตามทีหลังอบรมตนตามที่เรารู้อย่างชัดแจ้งไม่มีวิกิติช้ามันก็จะเกิดผลเจริญขึ้นไปเรื่อยๆพวกเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันนี้มีอะไรๆขึ้นมาก็หวังว่าโรคเครียดแม้อยู่ในสังคมอย่างพวกเรานี่ก็คงจะบรรเทาลงอีกด้วยเพราะว่าต้องรู้ฐานะรู้ลักษณะที่เราควรจะถือสากันมากกันน้อย ถ้าอาภัยกันก็มากๆและรู้ฐานะกันก็ปล่อยวางกันมากๆขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่เอาภาระกันภาระของเราเราเอาภาระกันแก่กันและกันพอสมควรสมฐานะรู้ตัวรู้ ต, วตนว่าเรามีฐานะแค่ใดเขาจะศรัทธาเริ่มไสเราไหมเราจะทําอันนี้อันนี้กับใครกับใครเขาได้หรือไม่ได้ถ้าเราทําไม่ได้เราก็ปล่อยวางแล้วก็ช่วยในวิธีอื่นอบอกผู้ใหญ่ต่อไปไม่ถือว่าฟ้องไปถือว่าการให้ข้อมูล ฟ้องก็มันมีกิเลสผสมด้วยไปฟ้องด้วยกิเลสโกรธกิเลสโลภเห็นแก่ตัวแล้วก็เลยมาฟ้องแต่นี้เราไม่ได้ฟ้องเพราะอย่งางนั้นเราต้องการหวังดีกับเขาจริงๆมาให้ข้อมูลเพื่อจะได้ช่วยเหลือเขาดีขึ้นอย่างนี้เราว่าให้ข้อมูลไม่ใช่เรียกว่าฟ้องภาษาโลกโลกว่าฟ้องเนี่ยฟ้องมันด้วยกิเลสลิษยากิเลสอะไรต่ อ, อะไรก็แต่และฟ้องอย่างนั้นเพื่อจะใช้คนอื่นเขาตกตำ่ำอ่เาเงื่อนไขง่ายๆนิยามไม่ง่ายก็ฟ้องคือ เอาสิ่งนี้ไปรายงานผู้อื่นเพื่อที่จะให้สิ่งนี้ไปรายงานใครก็ตามเพื่อที่จะเข้าเป็นองค์ประกอบในการที่จะจัดการให้คนนั้นตกต่ําลงไปนั่นก็เรียกว่าฟ้องแต่ถ้าให้ข้อมูลแล้วเอาไปให้คนใดก็แล้วแต่ไปให้คนอื่นเพื่อให้คนอื่นจะได้ช่วยเป็นองค์ประกอบทําให้คนนี้จเจริญขึ้นอย่างนี้เรียกว่าให้ข้อมูลนะไม่ใช่ฟ้องเพราะการให้ข้อมูลเพื่อความเจริญเนี่ยไม่ใช่ฟ้องไม่ใช่เรื่องเลวรา้ายการให้ข้อมูลเพื่อให้คนอื่นตกต่าเรียกว่าฟ้องเรียกว่าเลวร้าย ถ้าเราจำกัดความกันให้ชัดๆอย่างนี้แล้วเราก็อ่านใจของเราถ้าเรายังรู้สึกว่าเรายังเกลียดชังไปให้เขาไปบอกแง่ร้ายเพื่อที่เขาจะคนนั้นคนนี้จะได้ทําร้ายลงไปอีกเราอย่าทําอย่างนั้นแล้วเราเองเราเป็นคนร้ายไม่ดีแต่ถ้าเผื่อว่าเราวิเคราะห์วิจัยดีแล้วแ่บไม่ใช่เราจะไปให้ข้อมูลเขาเพื่อที่จะให้เขาร้ายดีไม่ดีใส่ไข่ด้วยอ้าวงั้นนี่ชั่วตั้งแต่เติมต้นแล้วฟองนี่คือใส่ไข่ด้วยมันชั่วน้อยก็ใส่ไข่ไปห้ฟอง8ฟองอีกยิ่ง เป็นชั่วมากอะไรนี่ไอ้แบบนี้มันเลวร้ายแต่แ ต, ต้นเนี่ยซอเสียดซอเสียดอย่างแรงสอเสียดอย่างประเภทที่มีความเลวมีทุจริตผสมด้วยมีการโกหกมีการเติมข้อเท็จจริงก็ไม่จริงเอาแต่ข้อเท็จใส่เข้าไปอีกไอ้แบบนี้มันก็เลวแต่ต้นใช้ไม่ได้นะไม่มีทางเจริญน่ะอาราตมาไดสาธยายทาเพิ่มเติมในวันนี้ก็ครบสมควรแก่เวลาก็เหลือแต่เราจะปฏิบัติกันให้จริงจังให้มีพ้นแท้กันเท่านั้นอพอ ยินฉันท่งให้แด้ มิตรภาพฉันส่งไปให้เธ อ, อยาเมื่อเราจะเจอส่งยิ้มของเธอมาให้แก่ฉันยิ้มที่ส่งไปนั้นเราส่งรอยยิ้มไปให้แก่กันโลกจะสสวยกันส่งยิ้มให้กันทั้งฉันและเธอยิ้มไม่อยากงายได้เป็นเสื่อความหมายที่ดีต่อกัน เธอและฉันส่งยิ้มสัมพันธ์ต่อกันทุกคนยิ้มที่ส่งไปนี้จะสร้าง้ตรีมีทุกแห่งหนยิ้มสิอย่ามีกังวลส่งยิ้มของตน ส่งยิ้มให้กันทั้งฉันและเธอยิ้มไม่อยากไหายได้เป็นสื่อความหมายที่ดีต่อกันเพียงให้เธอและฉันส่งยิ้มสัมพันธ์ต่อกันทุกคนยิ้มที่ส่งไปนี้จะสร้างไตรีมีทุกแหงคนยิ้มสิอย่ามีกะโกทส่งยิ้มของตนไปให้